บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยะแห่งคำถามในโสลุปัญหาท่านต่อไปนั้นคือท่านเมตโกูได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงถึงความเชื่อมั่นในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองว่าท่านเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ถึงฝังแห่งเพศเป็นผู้มีตนอันคุ้มครองดีแล้ว <c oughs> แต่ข้อที่ท่านต้องการจะถามปัญหานั้นคือในโลกนี้ประกอบด้วยความทุกข์มากมา่าหลายประการ <c oughs> ก็ใครจะทราบว่าความทุกข์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไร ข้อที่ควรศึกษาสำเนีกในที่นี้ประการแรกก็คือฝั่งแห่งเวทที่บาลีใช้คำว่าเวตคูเดิมทีเดียวเป็นภาษาที่ใช้เรียกพวกพรามซึ่งศึกษาจบใสเพศและเวททางกษัตริย์สามารถสาธยายอธิบายและปฏิบัติตามหลักของพระเวทได บุคคลชื่อนั้นชื่อว่าบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเวเตคูคือถึงฝั่งแห่งเว็แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัสรุปก็นำคำนี้มาแสดงหมายถึงพระพุทธทั้งสามประเภทคือพระอรหันตสัสมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกว่าเป็นเวเตคู ool, คือพูดถึงฝั่งแห่งเบ็ คำว่าเวทนั้นพระอ า, าจาราจารย์อธิบายชี้แจงแสดงถึงพัฒนาการแห่งปัญญาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ในการประพฤติปฏิบัติจนได้สัสรู้ในที่สุดนั่นก็คือกลุ่มของปัญญาที่ปรากฏในองค์ธรรมกลุ่มที่เรียกว่าโพติปักิยธรรมคือธรรมะที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ศัสรู้ตาม พระผู้มีพระภาคจักแต่ท่านดึงมาเฉพาะฝ่ายของปัญญาได้แก่ปัญญียีอินรีคือปัญญาซึ่งบุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นด้วยการศึกษาด้วยการพินิจพิจนาและด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติจนมีกำลังแก่กล้า เป็นใหญ่เหนือความเขา่าความโง่ความไม่รกรู้ในลักษณะต่างๆสามารถจําแนกแยกแยะสิ่งต่างๆโดยความเป็นกุศลอกุศลได้กลางๆที่แยกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบาปอะไรบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และอะไรไม่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นปัญญาระดับพื้นฐานทั่วไป และปัญญานั้นได้ขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่ารู้กระบวนการเกิดดับของสรรพสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในงแง่ของเหตุปัจจัยทางด้านดีและด้านไม่ดีบวนแล้วแต่มีเหตุให้เกิดขึ้นและจะดับไปได้ถ้าหากว่าเหตุให้เกิดเหล่านั้นดับไปทั้งสามารถจาแนกแยกแยะสิ่งทั้งหลาย คือมองได้ทั้งในแง่รวมและมองได้ทั้งในแง่แยกมองคนเป็นคนและมองคนเป็นสังขารการมองคนเป็นคนนั้นก็ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในชั้นศีลธรรมจันจาที่มามีความรักความเคารพความเมตตากรุณากันมองคนเป็นสังขารนั้นก็ให้เกิดการถ่ายถอนความยึดติด ในความเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นตนเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วการเกาะกลุ่มกันของการธาตุอายตนะหรือพูดง่ายๆว่าดินน้ำลมไฟอากาศเลวินดานก็มีการสมมติบัญญัติกันเป็นคนเป็นสัตว์แต่เมื่อดินน้ำลมไฟอากาศปินดานเหล่านั้นแยกย่อยออกไป ก็กลายเป็นความว่างจากของเราว่างจากเป็นเราและว่างจากความเป็นตัวเป็นตนของเรา <classics. S 1> จนสามารถถ่ายถอนตันหาคื อ, ค ว, อ, อ, อนะความยึดถือว่าของเราถ่ายถอนมานะยัก่อให้เกิดความยึดถือว่าเป็นเราแต่ถ่ายถอนทิฏฐิยันก่อให้เกิดความยึดถือว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของเราออกไปได้ความรู้ <Rule. S 1> ในชั้นนี้ จะมีการพัฒนาขึ้นไปถึงจุดที่สมบูรณ์แต่ในชาหนึ่งสามารถใคไตัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปัญญาโดยนิยะที่กล่าวแล้วได้และกลายเป็นปัญญาภละคือกำลังแห่งปัญญาที่เป็นภูมิคุ้มครองจิตใจของตนทุกระดับแห่งการดำรงชีวิต ช่ในระดับทัว่วไปบุคคลที่มีปัญญาระดับที่เป็นอินทรีย์เป็นพรังจะกลายเป็นภูมิคุ้มครองใจสามารถวิดนิฉัยลักษณะของอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นแล้วละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญได้แม้จะมีสิ่งอะไรกระแทกกระทันมาจากข้างนอกอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความชุนเจียว ความระมบ โ, มโลบอยากได้หรความหลงความเครือบแครงสงสัยในสิ่งนั้นแต่ปัญญาก็จะเข้าทำการวินิจฉัยตัดสินหยุดกระแสของกิเลสเหล่านั้นออกไปและก็จัดความมืดบอดที่เกิดขึ้นนั้นให้สว่างหรือให้หมดไปได้ประการต่อไปคือวิมังสาที่มีอยู่ในอิทิบาท ได้แก่การใช้ปัญญาสอสองพินิษพิจารณาสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันได้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่เราถึงคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยปัญญาเป็นหลักพินิษพิจารณาแต่ในท่านนี้ท่านเรียกว่าวิมังสาคือการไตรซองการพินิษพิจารณาหาเหตุผลของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีอยู่ได้ทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตเช่นเดียวกันในระพื้นฐานสามัญทั่วๆไปนั้นได้แก่การมองเชื่อมอยโยงสิ่งทั้งหลายได้ในสามการเช่นบุคคลจะทำอะไรในขณะปัจจุบันก็นึกถึงองค์ประกอบต่างๆที่ตนได้ศึกษา เ, เรียนมาในอดีตมาเป็นเครื่องมือในการกระทำในการสร้าง ในการปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นพระเรียนในอดีตนั้นเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วสำเร็จผลไปแล้วดีก็ดีไปแล้วไม่ดีก็ไม่ดีไปแล้วเป็นบทเรียนสำเร็จรูปพร้อมที่จะใช้ได้ทั้งในสิ่งที่ควรละและในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติแล้วเมื่อบุคคลทาในปัจจุบันก็คาดหมายเผินผลประเมินผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยปัญญาเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องพินิษ์พิจารณาที่เชื่อมการทั้งสามเข้าโดยกันได้นี่เองจะทำให้บุคคลเหล่านั้นใช้อดีตเป็นบทเรียนอะไรที่เคยสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นเก่ตนมาก่อนแล้วก็จะละเว้นไม่ประพฤติใน่กระทาที่เรียกว่ามีความลาบตำ่ำอยู่ภายในใจเหมือนกับคนถูกไฟเคยถูกไฟลวกมาก็รามัดระวางเวลาต้องเกี่ยวข้องกับไฟฉะนั้น และในขณะเดียวกันบทเรียนในอดีตที่เป็นไปด้วยความสุขความเจริญทั้งที่เคยเกิดขึ้นแก่ตนและทั้งที่เคยเกิดขึ้นแก่บุคคลเองบุคคลก็นาเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้มาประกอบมากระทาในปัจจุบันทําให้บุคคลมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วก็เป็นอานหวังผลได้ว่าในอนาคตตนจะต้องประสบความสุขความเจริญ เช่นเดียวกับที่ท่านในอดีตได้เคยประสบมาแล้วนี่คือลักษณะของวิมังสาการไตร่ยจองการพินิจพิจารณาในลักษณะที่เชื่อมโยงกันแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นการพิจารณาในขณะนั้นๆแต่ว่าการพิจารณาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอาศัยอดีตเป็นบทเรียนเป็นเครื่องตรวจสอบเป็นเครื่องพินิจพิจารณานอกจากนั้นยังเป็น ปัญญาประเภทที่เรียกว่าธรรมะวิจัยซึ่งปรากฏอยู่ในโพชชงได้แก่การสอดสอ่อนการวิจัยวิเคราะห์วิจัยสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นไม่ได้มองเฉพาะสิ่งที่ตนสัมผัสมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูสูดดมมาด้วยจมูกลิ้มมาด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายแต่วิเคราะห์วิจัยเจาะลึกลงไปถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง ของสิ่งที่ปรากฏและแยกแยะได้ถึงองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานั่นคือชั้นสามัญธรรมดาทั่วไปและแม้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็มีการวิจัยมีการสอดส่องสวจสอบดูตัวเองดูความประพฤติของตัวเองทั้งในชั้นของศีลทั้ทงในชั้นของธรรมะ พอเมื่อมองในแง่ของสินซึ่งในศึกษาสมาพานไปแล้วนั้นได้ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงมัญญาแสดงไว้หรือไม่มีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขมีอะไรที่ควรรักษาวไว้มีอะไรที่ควรจะเพิ่มพูนให้สูงขึ้นและอาจจะวิจัยในชั้นของสมาธิ ก็ดูสภาพของจิตใจที่อาศัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนในบางขณะบางโอกาสผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกว่าจิตใจไม่มีความสงบก็ต้องวิเคราะห์เจาะดูว่าทําไมใจจึงไม่สงบและจะตั้งปัญหาถามว่าทําไมอย่างไรเพราะเหตุไรไปเรื่อย จนสืบสวนไปถึงสาเหตุที่แท้จริงอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในจิตซึ่งในการวิเคราะห์ในการวิจัยนี้บุคคลอาจเจื้พพบถึงตัวเหตุต่างๆเช่นการที่ใจของบุคคลไม่โน้มน้อมเข้าหาความสงบกันเพราะตนไม่เคยได้ลิ้มได้สัมผัสรสแห่งความสงบ มาก่อนเมื่อไม่เคยสัมผัสชั้นทะคือความพอใจก็ไม่เกิดเมื่อชันทะาคือความพอใจไม่เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามก่อนจิตตะคือการเอาใจจดจอ่อการใส่ใจการเพ่งพินิษที่จะให้เกิดความสงบ ก, ก็มีกำลังต่ำไม่มากพอที่จะให้เกิดเป็นความสงบได้การใช้ปัญญาสอดส่องพินิษ์พิ จ, จารณา ก็มีกำลังไม่พอที่จะเจาะลึกลงไปถึงหุูเหตุเมื่อทุกดังอ่อนหมดเช่นนี้การที่จิตจะเกิดความสงบขึ้นมาก็เป็นไปไม่ได้และอีกประการหนึ่งโทษของการที่จิตถูกรุ่มรุมเกลือกล้วยอยู่ด้วยอารมณ์ที่เป็นการมฉันก็ดีพยาบาทก็ดีด้วยความง่เหงาหานอนซึ่งซึม ด้วยความพุ่งสัน้นราคาญและความเครื่อบแครงสงสัยเป็นต้นบุคคลก็มองไม่เห็นโทษประจักแก่ใจตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสทั้งสาสายนี้หรือทั้งห้าข้อนี้ถ้าปริมาณไม่แรงเกินไปคนอาจจะรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนพอใจอาจจะรู้สึกว่า เลือดลมเกิดแล่นได้ดีในเมื่อเกิดความโกรธหรือความพยาบาทขึ้นอาจจะรู้สึกว่าสบายดีเมื่อได้นอนหลับอาจจะรู้สึกว่าก็เพลิดีเหมือนกันได้คิดนั้นคิดนี้อาจจะรู้สึกว่าท้าทายสติปัญญาดีเหมือนกันในเรื่องตัวตนเครือข่งสงสัยก็แสดงว่ายังมองไม่เห็นโทษในเรื่องเหล่านั้น าตราใดที่ใจของบุคคลไม่เห็นโทษประจักษ์แก่ใจของตนดังนั้นการจะดึงใจออกมาจากอารมณ์ที่คุ้นเคยเคยเสพจนคุ้นเสพจนสนิทเป็นไปได้ยากแต่ด้วยอาศัยธรรมวิจัยเมื่อวิเคราะห์ได้เห็นทั้งสองฝ่ายเช่นนี้บุคคลก็ต้องเพ่งเล็งไปในผลที่เป็นป้าหมาย แม้ตนเองจะไม่สัมผัสมาก่อนแต่ จ, จะดูตัวอย่างบุคคลที่ได้ประสบผลคือความสงบมาแล้วและความดีงามที่เกิดต่อเนื่องจากจิตใจที่สงบอันท่านเหล่านั้นได้กระทาแล้วกระบวนการของธรรมะคือกลุ่มอิติบาทก็จะเกิดขึ้นมีกำลังสูงทั้งความพอใจทั้งความเพียรทั้งความสนใจทั้งการใช้ปัญญาพิพจารณาก็จะมีกาลังมากขึ้น จนมองโทษของกิเลสไปจากแก่ใจมองผลของความสงบไปจากแก่ใจการปฏิบัติของบุคคลนั้นก็จะก้าวเดินไปสู่ความสงบได้โดยดําดับการวิจัยทำการสอดส่องทำนั้นให้สังเกตว่าในวสีที่สวดอธิษฐานกรรมฐานข้อว่าปัจเจเว ก, กะนะวสี คือมีความชำนิชำนาญในการพิจารณาก็คือลักษณะของการวิจัยหรือธรรมะวิจัยหรือลักษณะของวิหิงสานั่นเองแต่เป็นการวิเคราะห์วิจัยจนเกิดความชำนาญจึงกลายเป็นวสีพิจารณาได้ทุกขณะของจิตใจที่อารมณ์ักเกิดขึ้นและธรรมะตอนต่อไปก็คือเรื่องของสมาสังกปะ ซึ่งเป็นมรรคปัญญามรรคฝ่ายปัญญาในอริยมรรคมีองค์แปเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาสอดส่องพิพจิตรณามองเห็นส่วนที่เป็นคุณโดยความเป็นคุณส่วนที่เป็นโทษโดยความเป็นโทษทอดคำเหล่านี้เป็นสำนวนภาษาที่ทรงใช้ไปบ่อยซึ่งจะเห็นได้ว่าดูแล้วเหมือนจะเป็นการประพฤติปฏิบัติง่าย แต่การมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นคุณโดยความเป็นคุนนั้นเป็นรัวอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติของบุคคลอย่างรุนแรงเพราะส่วนมากแล้วจิตใจของบุคคลที่ถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสจะมีลักษณะเหมือนมแมลงเมาคือมองไฟเป็นของเล่นเป็นของน่าชื่นชมน่าสนุกสนานแม้จะเห็นเพื่อนล้มตายไปต่อหน้าต่อตา ก็ยังไม่เกิดความสํานึกที่จะหลาบจำที่จะหลีกเล่นที่จะหนีออกไปจากเปลวไฟเหล่านั้นในชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผลแห่งความชั่วความทุจริตนั้นเป็นผลที่ประจักษ์แก่ตนซ้ำซ้ำซ้ำซากซากจำเจทุกค น, ท, กนทุกแข่งทุกวันทุกเวลาเปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านก็เจอ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแรงดันของกิเลสเหล่านั้นได้มีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยที่ประจักด้วยตัวของตัวเองมีความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยตัวของตัวเองแต่การหลับจาก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจยังคงไปกระทําประพฤติในสิ่งเหล่านั้นอีกบางครั้งบางคราวก็เป็นการทําผิดในลักษณะที่ซ้ําซ้อนซึ่งก็หมายความว่าตัวความดําำริก ที่จะมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษนั้นยังไม่เข้าถึงจุดที่จะคุ้มครองตัวเองได้เพราะการพัฒนาปัญญาตามความหมายของพระพุทธศาสนาปัญญาจะต้องอยู่ในจุดที่คุ้มครองตัวได้หรือปัญญาที่ใช้งานได้ไม่ใช่ปัญญาที่น้อยเกินไปถ้าอุปมาเหมือนแสงไฟแสงไฟนั้นจะต้องขยับมืดได้ไม่ใช่แสงไฟเพียงเล็กน้อย แต่จะต้องสามารถสองทางทั้งข้างหน้าข้างหลังและด้านทั้งสองตลอดถึงเบื้องบนได้เพราะสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นไม่จะมามาจากด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะอาจจะมาข้างล่างอาจจะมาจากข้างหน้าข้างหลังหรือข้างทั้งสองหรืออาจจะมาจากข้างบนหรืออาจจะมาจากข้างล่างแต่ถ้าบุคคลมองเห็นในรอบทิศทางเช่นนี้ <au> ก็สามารถดิกเว้นสิ่งที่เป็นอันตรายได้เันใด การปรฏิบัติปฏิบัติธรรมะเพื่อพัฒนาปัญญาให้สามารถคุ้มครองจิตใจตนเองก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือจะต้องเป็นปัญญาที่บริหารตนซึ่งสำนวนบาลีใช้คำว่าบริหารยะปัญญ า, ญญาคือปัญญาที่บริหารตนเองได้สามารถบำรุงจิตใจตัวเองหรือบำรุงชีวิตตัวเองบำบัดอันต ร, รายแก่ชีวิตของตัวเอง ป้องกันอันตรายให้ชีวิตตัวเองและรักษาคุ้มครองชีวิตตัวเองให้ปลอดภยัยเป็นบัญญาประเภทที่ทรงใช้คำว่านิพพโกคือคุ้มครองตนได้ตัวการสำคัญจึงมาอยู่ที่ตัวความคิดกับความเห็นเป็นการสัมดงถึงความมากน้อยแห่งปัญญาภายในใจของบุคคลดอกนั้นด้นความคิดติ่จะให้เกิดความสวัสดีจนบุคคลเข้าถึงฟังแห่งเวทรือเข้าถึงเวท จึงต้องอาศัยความดำริในการที่จะดึงกายจิตของตนออกจากปัตจุกามทั้งหลายซึ่งทางนี้ทางนั้นไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธกรรมโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการมองถึงความจริงแห่งการมารมณ์ทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดตะปะที่บุคคล ก, กำหนดว่าน่าคราน่าปรารถนาน่าพอใจนั้นเมื่อมองกันในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ทรงแสดงว่ามีสุขน้อยจะมีทุกข์มาก บวกลบคูณหารกันดูแล้วบุคคลจะเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเป็นเหตุการ์เป็นข้ามูลการเป็นเหตุได้เกิดขึ้นการเป็นตัวสร้างขึ้นนั้นมีมากแล้วก็พยายามสํารอกความกําหนัดความติดในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ใจเคยกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจให้เจอจังประบางลงไปและดึงใจของตนออกจากการเกี่ยวเกาะการหมกมุ่น ความเดือดร้อนเป็นวัตถุกรรมเหล่านั้นด้วยความดํารดิที่กรอบโดยเมตตาจิตซึงมีลักษณะเยือกเย็นเกิดขึ้นภายในจิตทำหน้าที่กำจัดความอาฆาตพยาบาทความโกรธความไม่พอใจให้เจาจา ง, งบางลงไปจากจิตและความดํารดิที่จะมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายกัน แม้ใครจะประสบความทุกข์ก็ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าการไม่เบียดเบียนกันคือการสารวมระวังละลเกี่ยวข้องประสวททั้งหลายถึงความสุขในโลกและจนถึงปัญญาที่แท้จริงที่เรียกว่าปัญญาถึงขั้นสมบูรณ์จริงๆนั้น ได้แก่ปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจทั้งส่ประการได้แก่หลักของสมาธิิคือปัญญาเห็นชอบความเห็นชอบชั้นสมบูรณ์จริงๆนั้นหมายถึงความเห็นในอริยสัจทั้งส่ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเองขึ้นไปโดยลำดับด้วยระบบของศีลสมาธิและปัญญา จิตก็จะมีความสะอาดสูงขึ้นมีความสงบมากขึ้นทำกลางจิตที่สะอาดและมีความสงบนั่นเองแสงสว่างคือปัญญาจะผุดขึ้นภายในใจของตนอาจจะเรียกว่ายานเรียกว่าวิชาเรียกว่าปัญญาเรียกว่าแสงสว่างหรือเรียกว่าปรีชาญาณหรือเรียกว่ายัางอื่นก็ได้ลักษณะอย่างเดียวกันเกิดผุดขึ้นภายใ น, ในใจิตใจของบุคคลผู้นั้น ทำให้รู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4ประการตามความเป็นจริงด้วยญาณทั้ง3คือสัจญาณรู้ความจริงแห่งอริยสัจแต่และข้อว่าอะไรเป็นอะไรคือรู้ว่านั่นคือความทุกข์นั่นคือเหตุเกิดแห่งทุกข์นั่นคือความดับทุกข์นั่นคือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์กิจิยานรู้ภาระหน้าที่ กิจที่ตนจะต้องทำในอริยสัจทั้งสี่ประการนั้นว่าทุกเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติโดยเงื่อนไขของธรรมชาติจึงเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งที่จะต้องเป็นอย่างนั้นมีภาวะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้ไว้ โดยสถานะโดยสภาวะโดยความเป็นธรรมดาสมุทัยซึ่งเป็นเหตุเกิดแข่งความทุกข์เช่นตานหาทั้งสามประการเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ล่านั้นก็รู้ว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธที่แปลว่าปราศจากเครื่องสิบแทงซึ่งหมายถึงสภาพจิตที่ตรงกันข้ามกับจิตที่มีสมุทัยอยู่ สมุทยัยนั้นเกิดขึ้นแล้วเสียดแทงใจบังคับใจให้ดิ้นบังคับใจให้กระนวนกระวายกระซับกระสายไปด้วยประการต่างๆแต่นิโรดนั้นเป็นอาการถอนสิ่งเหล่านั้นเครื่องเสียดแทงเหล่านั้นหรือเหมือนหนาเหมือนฝีกรดหนองให้ออกไปนิโรดจึงเป็นเป้าที่เป้าใหม่ที่บุคคลจะต้องทำให้แจ้งหรือจะต้องเดินไปให้ถึง และมักเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นภาเวตประธรรมคือบุคคลจะต้องลงมือประพฤติกระทาบาเพ็ญให้เป็นให้มีให้เป็นขึ้นในจิตตัดา์แห่งตนในความรู้เหล่านี้จะต้องเป็นความรู้ประเภทที่เกิดผุดขึ้นไม่ใช่เกิดด้วยอำนาจของปริยัติคือการศึกษาการสับสับฟังแต่จะต้องเป็นผลจากการปฏิบัติจริง พอความรู้เกิดขึ้นจะต้องกระจัดกิเลสได้พอความรู้เป็นแสงสว่างกิเลสเป็นความมืดเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดต้องหายไปญานที่สามคือกัตยานรู้ว่าได้ทําแล้วได้แก่เกิดปัญญาเห็นชอบขึ้นมาว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ตนได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละตนได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งตนก็ได้ทําให้แจ้งแล้ว มรที่ควรลงมือประพฤติปฏิบัติหรือควรเจริญตนก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์น่ยนี่คือหลักของสมาธิิเพราะนั้นธรรมะดังกล่าวแล้วคือปัญญีสีปัญญาภะวิมังสาธรรมวิจยะสมาทังกะปะสมาธิได้ชื่อว่าเป็นเวทะคือเป็นเบ็ดทาให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงฟังแห่งเบ็ดคือมรผลนิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายได้เข้าถึงแล้วโดยเส้นทางสายนี้เองได้นำมาชี้แจงแสดงเปิดเผยให้พุทธบริษัทประพฤตตามดำเนินตามเมื่อใครเสริมสร้างปัญญาเกิดขึ้นได้ในดับใดก็ตามปัญญานั้นก็จะกลายเป็นที่พึ่งพำนักเป็นประทีปสองทางชีวิตของบุคคลนั้น ทำให้บุคคลผู้นั้นเข้าถึงชีวิตที่สูงสุดสูงขึ้นโดยลำดับเพราะชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐดังนี้ต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป